แนะนำบทอัลอัลลาบทอัลอะลลเป็นบทมักกิยามีส9บเก้งการกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยย่อดังนี้หนึ่งองและคุณลักษณะาบางประการของอัลลอฮ์และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของพระ อ, องค์สององการอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่าศาสนาทูต ท, ท่านสุดท้ายสาคําแนะนาอันดีที่ จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้สนใจและศรัทธาจะได้รับประโยชน์บทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซึ่งทรงสร้างและทรงทําให้มันดีขึ้นทรงสร้างและทรงทําให้สวยงามทรงให้หญ้าและพืชผักงอกเหนยออกมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่พวงเบาบทนี้ได้ใช้ให้ตักเตือนกันด้วยอัลกุรอานซึ่งบรรดามุ่งมินผู้ศรัทธาจะได้รับประโยชน์จากทางนามของอัลกุรอาน และบรรดาผู้ยำเกรงจะรับบทเรียนจากการชี้นำของอลัลกุรอานวันนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชัยชนะของผู้ที่ขัดเกลาตัวเองจากความผิดและโทษต่างๆด้วยผลงานที่ดี ด ah. ้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอจงแท้สองสะดุดีพระผู้อภิบาลของผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์ ผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้ทางนำและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้เป็นอาหารของสัตว์แลวทรงทำให้มันเป็นสังแห้งมีสีคล้าำเราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าก็จะไม่ลืม เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้นเราจะง่ายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายได้ดงนั้นเจ้าจงตักเตือนกันเถิด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 แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุสู่ความสาเร็จแล้วเขารำลึกถึงพระนามของพระผู้อิบาลของเขาแล้วเขาทำละมาห์หาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่า ال ถ้าจริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วคือคัมภีร์ของอิบราฮีมและมูสา